ถึงหน้า659เริ่มที่665 665อมัชิมาปฏิวัตธรพอดีอ <c oughs> ส่วนสุดสองข้างสุดตรงข้างหนึ่งกับสุดตรงอีกข้างหนึ่งที่มนุษย์โดยมากเนี่ย <c oughs> จะเวี่ยงไปเหมือนกับอาตมาถามโยมว่าโยมแก้วใบนี้มีไหมโยมก็จะตอบว่ามีบ้างไม่มีบ้างใครเคยเห็นแก้วแตกก็บอกอ่าแก้วไม่มีแต่ใครบางคนก็บอกว่าอาจารย์แก้วสเตนเลสไม่แตกหรอกแน่ยังไม่เคยเห็นสเตนเลสผุใช่ไหมอ่ามันมีเสื่อมหมดเลยเพราะฉะนั้น สุดตรงของความเห็นของมนุษย์มักจะเวี่ยงไปในทางมีกับไม่มีลองดูตรงนี้ <c oughs> ครั้งหนึ่งที่พระเชตวันท่านพระกัตจานะโคตได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้สัมมาทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้า้าดูก่อนกัจานะ สัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากคือส่วนสุดว่าอัตติตาความมีและส่วนสุดว่านัตติตาความไม่มีนี่เราดูดีๆนะความมีคืออัตติตาความไม่มีคือนัตติตานี่คือตรงข้ามแต่ผู้เจ้าจะแสดงธรรมโดยสายกลางคืออนัตตาอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่ในพระสูตรนี้ผู้เจ้าไม่ได้ ตัตตนัตตาโดยตรงแต่ตรัสสายปฏิจจสุบาตว่าเป็นตรงกลางเป็นมัชชิมาปฏิปทาระหว่างอัตตากับนัตติตาเราต้องไปโยงพระสูตรอื่นที่พระเจ้าโยงสายปฏิจจสุบัตเชื่อมเข้าไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราถึงจะเห็นแล้วเราหยิบอนัตตาตรงนี้มาสายไว้กับตรงนี้ก็จะเห็นว่าอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับนัตติตาพอดี นี่คือการการเชื่อมธรรมะที่ผู้เจ้าจะมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นประจำนะเพราะธรรมะในหลายๆเรื่องไม่สามารถกล่าวอธิบายด้วยพระสูตรเพียงพระสูตรเดียวนะดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่านัตถิตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งทําอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลก <c oughs> หมายความว่านัตติตาความไม่มีเนี่ยจะไม่มีแก่คนที่เห็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นการเห็นเหตุเกิดเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราเห็นจิตเกิดเรื่อยๆเนี่ยจิตเกิดจิตเกิดจิตเกิดการที่คิดว่าจิตเนี่ยไม่มีเลยสาบศูนยูนย์สลายความเห็นนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเห็น สมุทัยคือเหตุเกิดเรื่อยๆผู้เจ้าจึงบอกใครเห็นสมุทัยคือเหตุเกิดความเห็นที่ว่าทุกอย่างขาดสูญจะหมดไปไม่มีความเห็นนี้จะมีไม่ได้ดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่าอัตติตาย่อมไม่มีแกบุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมคือความดับไม่เหลือแห่งโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นความดับความดับความดับเรื่อยๆ ความเห็นที่ว่าตัวตนมีจริงถาวรไม่มีการเสรื่อมสลายจะไม่เกิดขึ้นเพราะคนคนนั้นเนี่ยมาสังเกตเห็นว่าสรรพสิ่งเนี่ยดับไปต้นไม้ตายไปคนตายไปสัตว์ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างผุพังไปความเห็นในความมีตัวตนที่ถาวรจะไม่เกิดขึ้นอัตตาคือความมีนะ <c oughs> ดูก่อนกันจจานะสัตว์โลกนี้โดยมาก ถูกผูกพันแล้วด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยทิฏฐิแต่อริยสาวกนี้ไม่เข้าถึงไม่ถือเอาไม่ถึงทัพซึ่งตัณหาและอุปาทานอันเป็นเครื่องถึงทัพแห่งใจอันเป็นอนุสัยแห่งทิฏฐิว่าอัตตาของเราดังนี้ย่อมไม่สงสยัยย่อมไม่ลังเลในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิดทุกเท่านั้นย่อมเกิดเมื่อจะดับทุกเท่านั้นย่อมดับดังนี้ ยานในข้อนี้ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นดูก่อนกัจจานะสัมมาทิฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเพราะนั้นอริยสาวกของพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาขึ้นไปเนี่ยนะจะไม่สงสัยว่าไอสิ่งที่เกิดมาเนี่ย มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์หมายถึงสภาวะธรรมที่แตกสลายได้มีแต่สิ่งที่แตกสลายได้เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดในโลกธาตุนี้มีอะไรไม่แตกสลายมีไหมไม่มีเลยทั้งรูปและนามนามธรรมาก็เหมือนกันนามธรรมาอะไรเกิดขึ้นมาเรามองเลยเดี๋ยวมันก็จะต้องแตกสลายอย่างนี้เมื่อจะดับทุกข์เท่านั้นย่อมดับญาณคือความรู้ในข้อนี้ ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเชื่อตามผู้อื่นหรือเชื่อตามผู้เจ้าไปเลยตรวจเองก็ได้ผู้เจ้าตรัสมาปั๊บเนี่ยเราตรวจตามผู้เจ้าเลยว่าเป็นจริงตามนั้นไหมสัมมาทิฐิก็จะเกิดขึ้นได้ดูก่อนกันจจานะคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฐิทั้งปวงด้วยทิฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้ นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่สองดูก่อนกัจจานะตะถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วก็ไล่สายปฏิจจ์จนทั่ง เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวทุกขะโทมานัสอุปายาศาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ตรัสสายดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนกระทั่งชาติชรามรณะดับอย่างนี้ นั้นพระสูตรนี้ผู้เจ้าจึงบอกว่าส่วนสุดว่าความมีกับความไม่ไม่มีเนี่ยเป็นส่วนสุดทั้งสองข้างแต่ผู้เจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยสายกลางคืออธิบายสายปฏิจจสุบาทอธิบายว่าแก้วใบนี้หรือวัตถุก้อนนี้หรือรูปนามเนี่ยมันมีเหตุเกิดและมีความดับอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ลองไปดูว่าเหตุเกิดและความดับตรงนี้เราจะเชื่อมไปอนิจจังทุกขังนัตตาอย่างไรนะนั้นเราจะต้องจําแบบฟอร์มการพูดของผู้เจ้าให้ได้ซะก่อนว่า แบบฟอร์มการอธิบายสายปฏิจจสุบัทที่ผู้เจ้าจัดว่าเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดานะธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าเราดูในจอเนี่ยเราจะเห็นว่านะผู้เจ้าจัดแบบฟอร์มกันพูดตรงนี้ นี่คือแบบฟอร์มที่จะอธิบายปฏิจจสุบาท น, นะเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มที่ต่อจากตรงนี้อีก <c oughs> นะให้เราสังเกตว่าบรรทัด ส, สุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะเชื่อให้ดูว่าผู้เจ้าจะตัดบรรทัด ส, สุดท้ายเนี่ยจะดึงอิทับปัจจยาตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเข้าไปแล้วก็ ร, รัดแบบฟอร์มคำพูดเดิมอีกดึงบรรทัสุดท้ายออกแล้วใส่สัพเพสังขาราทุกขาดึงบรรทัสุดท้ายออกแล้วก็ใส่สัพเพธรรมะอนัตตาเข้าไปนะโดยมีการพูดอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนี่คือแสดงให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั้นเป็นธรรมฝ่ายปฏิจจสุบานเป็นธรรมที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏชรามรณะปรากฏเพราะฉะนั้น อนิจจังทุกขังนาตาจึงไม่ได้เกี่ยวกับวิมุตต์นะเพราะวิมุตต์ไม่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับปรากฏไม่มีนะไปดูแบบฟอร์มคําพูดต่อไปนี่ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ํา และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะย่อมมีปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะชาติเป็นเหตุแก่ตายย่อมมีผู้เจ้าบัญญัติธรรมชาติที่เป็นเกิดแก่ตายเห็นนะเพราะฉะนั้นอ น, นิจจังทุกขังนตตาที่เดี๋ยวผู้เจ้าจะเชื่อมให้ดูนะนั้นคือการอธิบายของที่มีการเกิดแก่และตายซึ่งในวิมุตไม่มีเกิดแก่ตายไม่มี และการบัญญัติเรื่องใดๆก็ตามบัญญัติได้เฉพาะสังคต ธ, ธรรมคือระบบของสมุดวิมุตต์บัญญัติอะไรไม่ได้วิธีอธิบายวิมุตตก็อธิบายภายใต้สังคต ธ, ธรรมนะตัววิมุตต์เองอธิบายอะไรไม่ได้น ะ, ะดูแบบฟอร์มคําพูดต่อไปนี้เป็นแบบฟอร์มคําพูดของปฏิจจสุบาต ท, ที่ผู้ชอบตรัดต่อกันเลยนะทั้งสามอันนี้มันเต็มจอก็เลยแยกมาทีละอันทีละอันทีละอัน <c oughs> อันสุดท้ายผู้เจ้าตรัส ว, ว, ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นหรือเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นอวิฏตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญตาตาคือความที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ดูก่อนพิกษุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะนั่นนี่คือแบบฟอร์มคําพูดที่อธิบายคําว่าปฏิจจสมุปบาทนะนั้นด้วยแบบฟอร์มคําพูดนี้เหมือนเดิมเลยผู้เจ้าดึงอิทัปปิยตาออกแล้วใส่สัพเพสังคารา อ, อนิจจาเข้าไปใส่สัพเพสังคาราทุกขาเข้าไปใส่สัพเพธามานาตาเข้าไปนั่นก็คือพระองค์กําลังเชื่อม อ, อนิจังทุกขังนาตาให้รู้ว่านี้คือปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสุบาทก็คือการอธิบายการทางานของวิญญาณกับนามรูปนามรูปสี่ขันรูปเบทนาสัญญาสังขารว่าวิญญาณเนี่ยทำงานกับนามรูปอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงตรัสว่าคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการพูดจาคลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญามีเพราะวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นเองการบัญญัติสิ่งต่างๆมีเพราะวิญญาณทางานกับนามรูปแค่นั้น ลองดูต่อไปนะด้วยแบบฟอร์มคําพูดเดียวกันนี้พิสูจนทั้งหลายเพราะต ถ, ถาคตเกิดขึ้นหรือเพราะต ถ, ถาคตไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามเห็นไหมเหมือนเดิมธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมะทิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยมตาอ่าดูบรรทัดสุดท้ายอิทัพปัญจ า, าหายไปแล้ว ย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่สัพเพสังคาลาอนิจจาเอามาใส่ตรงนี้เอาอิทัพยตาออกเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นนี่พูดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัตินะบอกแสดงบัญญัติได้เนี่ยเฉพาะสังฆธรรมซึ่งจัดในอีกพระสูตรหนึ่ง ย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่ควา่าเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะแล้วตรัสเหมือนกันอย่างนี้อีกอลองไปดู น, นี่พูดเหมือนกันเลยแล้วดึงอิทับปัจจิตตาออกแล้วใส่คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ประโยคที่สองย่อหน้าที่2ก็ตรัสเหมือนเดิมอีก แล้วดึงอิทัปปิยะตาออกใส่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะแล้วก็ตัดเหมือนเดิมอีกเหมือนกันแล้วใส่คำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะเปลี่ยนเป็นทำทั้งหลายทั้งปวงคืออะไร <c oughs> ทำทั้งหลายทั้งปวงเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาออกจากตัวผู้รู้แต่จากนั้นแล้วที่สุดแล้วเราต้องพิจารณาตัวผู้รู้ด้วย ซึ่งจะมีในอีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าจะพูดเอกภาวะนะนานาภาวะแล้วก็สัพพภาวะเอกภาวะคือตัววิญญาณนะนานาภาวะคือตัวรูปนามขันธ์ทั้งสี่และสัพพภาวะก็คือทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานไม่ได้เกี่ยวข้ออะไร เพราะตรงนี้เป็นการอธิบายธรรมธาตุที่มีเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและดับปรากฏแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏรละดับไม่ปรากฏคนละธรรมธาตุกันแค่สัพเพธรรมมาตรงนี้นะก็เป็นธรรมธาตุที่มากมายพอแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้ <c oughs> ผู้เจ้า <c oughs> ได้ตัดไว้อีกพระสูตรหนึ่งที่บอกว่า เมื่อเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยจึงเบื่อหน่ายในธรรมที่ตนหลงนะนั่นแหละเป็นหนทางอันหมดจดนะเป็นทางสู่พระนิพพานนะเพราะฉะนั้นการเห็นสัพเพธรรมานาตาก็เพื่อให้เบื่อหน่ายในสิ่งนี้ที่ตนเองหลงก็คือธรรมธาตุที่มีเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและดับปรากฏนั่นเองนะ <c oughs> อ่าพระสูตรนี้เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นไหม บรรทัดต่อมาวักต่อมาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นหนทางแห่งความหมดจดนะวักต่อมาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นมไหมผู้เจ้าก็เปลี่ยนเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันนั้นมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าเดี๋ยวสัพเพสังขาราแล้วสุดท้ายทําไมต้องเปลี่ยนมาเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะหมายถึงนิพพานได้ไหม ไม่ได้คนละเรื่องตอนนี้กําลังอธิบายเรื่องปฏิจจสุบาทอธิบายสังคต ธ, ธรรมอยู่ไม่ได้เอาวิมุตต์มาเกี่ยวข้องด้วยเลยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะเขาเห็นความเป็นอนัตตาของขันห้าเขาเลยเบื่อเบื่อในายในขันทั้งห้าแล้วนิพพานเป็นทุกข์ไหมไม่มีนิพพานไม่มีสภาพเป็นทุกข์มีไม่ได้ ไม่มีเพราะเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏทุกขังมีไม่ได้นะเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏถ้าเสื่อมไม่มีดับไม่ต้องพูดถึงเลยมีไม่ได้แน่นอนนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดนะนี่จริงๆพระสูตรนี้ก็ชัดเจนอีกพระสูตรหนึ่งที่จะยืนยันว่าคําว่าสัพเพธรรมานตาไม่ได้เกี่ยวกับวิมุตติหรือนิพพานเลยนะจริงๆแล้วก็จะมีหลายพระสูตรเหมือนกัน นะอันนี้ก็เอาที่ให้เราเห็นชัดๆนะ <c oughs> พอดีพอจะโยงไปถึงอา น, นิจังทุกขังนัตตาได้ก็เลยโยงไปให้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องของอ <c oughs> นิพพานด้วยที่อาจจะมีคนสงสัยว่าเป็นอา น, นิจังทุกขังนัตตาหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยนะไปดูกฎของสังกตะอสังกตะ กฎของขันห้าคือสังคตะมี3อย่างและกฎของอสังคตะคือนิพพานก็มี3อย่างเหมือนกันกฎของสังคตะลักษณะคือระบบของสมมุติทั้งหมดเลย <c oughs> จะมี3อย่างอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏวโยปัญญาญติมีการเสื่อมปรากฏ สามทิฏฐิศาสัญญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดูนะกฎของสังคตะกฎอันนี้ผู้เจ้าจะไม่พูดถึงดับนะแต่ถ้าอริยสัจสี่ผู้เจ้าจะพูดเกิดกับดับแต่กฎของสังคตะจะพูดเกิดเสื่อมและเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือแปลเปลี่ยนพูดอยู่ในกรอบของความไม่เที่ยงนะอ่านะ แต่ไม่พูดเลยมาถึงดับเพราะเมื่อเสื่อมไม่มีดับไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้ดับไม่มีแน่นอนนะแก้วใบนี้แตกได้เพราะว่ามันเกิดเป็นแก้วมาแล้วถ้าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นมีการพังแน่นอนถ้าจะไม่ให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแก้วจะมีแก้วเสื่อมได้ไหมไม่มีถ้าแก้วเสื่อมไม่ได้แก้วดับต้องไปพูดถึงไหมไม่ต้องไปพูดถึงเพราะฉะนั้นกฎของสังคตะลักษณะ ไม่ต้องพูดถึงดับเลยก็ได้นะเพื่อเชื่อมโยงกันกันกบอริยสัตว์สี่อริศสัตร์4จะพูดเกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วก็แตกสลายแต่อันนี้จะพูดเกิดเสื่อมนะและตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็คือขนาดที่มันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆของมันอยู่แล้วก้อนหินก้อนหนึ่งนะร <c oughs> ิมทะเลถูกน้ำถูกคลื่นซัดไปเรื่อยๆก็ค่อยๆกลอนไปทีละอนเล็กทีละเล็กทีละน้อย นะก้อนน้าแข็งก้อนหนึ่งนะเมื่อตั้งอยู่ก็ละลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาหรืออากาศเมื่อมันตั้งอยู่มันก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏโยมลองดูอากาศพอเปลี่ยนอุณหภูมิก็เป็นหมอกเป็นไอน้ําเป็นฝนนะมีละอองมีอนูมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นไม่ใช่ภาวะหนึ่งเดียวนะมีฟ้าผ่าฟ้ า, ฟาแลบอยู่ในอากาศเนะยอะแยะไปหมดเลย เมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะส่วนอสังคตะหรือวิมุตเป็นยังไงอธิบายไม่ได้เมื่อวิมุตอธิบายไม่ได้วิมุตจะต้องอธิบายได้ยังไงอธิบายโดยสมมุติใส่คำว่าณณณเข้าไปคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ที่เหลือตัดเหมือนเดิมคือณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณนะวโยปัญญายติ ไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิตฏฐสอัญญาตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเห็นนะนี่คือการอธิบายนิพพานของพระุทธเจ้าไม่สามารถอธิบายตัวนิพพานได้แต่อธิบายได้ด้วยสิ่งสมมุติหรือภาวะสมมุติที่เรารู้จักแล้วก็บอกว่าที่เรารู้จักอย่างเนี้ยไม่มีอย่างเนี้ไม่มีอย่างเนี้ไยไม่ใช่ไม่มีนะอืมแล้วก็ไปประเมินเอาเองว่านิพพานจะเป็นยังไง นะอืม <Nah>. hmm. <clears throat>